สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะก่อนอื่นบีเองก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆ ท, ท, ท่านที่ส่งเรื่องเล่าเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีนะคะแล้วก็ที่คอมเมนต์เข้ามาทางช n e l บนยู u ูบบีเองอาจจะไล่ตอบคอมเมนต์ไม่ทันทุกๆคอมเมนต์ยังไงก็ต้องกราบขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะะแต่ว่าทุกคอมเมนต์ที่คุณผู้ฟังคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยบีอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆ ะะและเช่นเคยค่ะว่าวันนี้บีก็มีเรื่องเล่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยจากคุณจะตุรงนะคะคือบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่บวชเมื่อไม่นานมานี้นี่เองก็ย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กนะคะซึ่งแถวบ้านก็จะมีร้านค้าอยู่สามร้านซึ่งหนึ่งในนั้นคือร้านลุงคา ตอนเด็กๆเนี่ยคุณจะตรงบอกว่าชอบไปที่ร้านลุงคำเนี่ยบ่อยๆนะคะนอกจากจะไปซื้อขนมแล้วแกยังเล่าเรื่องสมัยหนุ่มๆของแกให้ฟังตามประสานะคะคุณผู้ฟังส่วนตัวของบีเองก็ชอบฟังเหมือนกันนะเวลาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เล่าเรื่องในอดีตให้เราได้ฟังกันเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาที่มีขนมเองเนี่ย ลวงคำแกก็จะแบ่งให้กับคุณจะตัวรงไว้กินด้วยโอ้โหอันนี้เนี่ยเด็กๆชอบมากเลยจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแกประสบอุบัติเหตุตกบันไดจนแกไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณจะตรงบอกว่ามีโอกาสได้อุปสมบทซึ่งแกเนี่ยก็พยายามล่ะมางานจนได้แม้กระทั่งร่างกายของแกไม่อำนวย ซึ่งพอเสร็จงานเสร็จพิธีเรียบร้อยคุณจ้าตัวรงก็ได้ไปจําวัดอยู่ที่วัดป่าแล้วก็ต่อมาหนึ่งอาทิตย์ขณะที่ทําวัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาประมาณสามทุ่มก็ได้มีเสียงหนึ่งค่ะเรียกขึ้นเรียกว่ามอมมอมจําวัดแล้วบ่หม่อมนี่คือถ้าเป็นภาษาไทยกลางก็แทนคําว่าหลวงพี่หรือว่าพระที่บวชใหม่พันสายยังอ่อนอยู่ก็จะเรียกว่าหม่อมอะไรประมาณนี้นะคะจำวัดคือนอนหรือยัง ทีแรกคุณจตุรงบอกว่ายังไม่ขานรับนะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครมาเรียกก็ไม่ต้องขานรับแล้วก็มีเสียงเรียกอีกทีหนึ่งบอกมอมพ่อใหญ่นีละจำวัดละบ่นะคะซึ่งเสียง น, นี้เป็นเสียงที่คุ้นเคยมาก คุณจตุรงก็เลยเปิดประตูออกไปดูซึ่งก็เห็นตาคำเนี่ยแกนั่งรออยู่หน้าบันไดกุฏิก็เลยถามแกบอกเอา้าเป็นยังไงมายังไงนาะถึงได้มาดึกดึกดน ด, นดนแบบนี้ขาก็เดินไม่ค่อยได้แล้วมาถึงขนาดนี้เนี่ยขาเดินได้ดีแล้วหรอแกก็เลยบอกว่าก็พอไปได้มาได้แล้วค่ะแล้วคุณจตุรงก็นั่งคุยกันกับลุงคําไปจนดึกจนดื่นห้าทุ่มเลยแล้วแกก็บอกว่าทีนี้เนี่ยจะขอตัวกลับแล้วนะ ไม่รบกวนเวลาจําวัดแล้วแต่ว่ายังไงก็อยู่ให้ได้สักพรรษาหนึ่งก็แล้วกันนะให้ได้บุญด้วยหน่อยให้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยลาศิกขาบทละกันทีนี้คุณผู้ฟังคุณจารุรงบอกว่าผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะแกพูดคืองานอะไรวะนึกในใจนะแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรแกออกไปซึ่งพอเดินเข้ากุฏิแล้วก็หันไปเปิดประตูก็ไม่เห็นแกแล้ว ก็เลยคิดว่าเออแกเดินเร็วขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งขาแกก็ยังไม่ได้หายดีเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันถัดมาค่ะทําวัดเสร็จเรียบร้อยละตอนเช้าพอจะไปตักอ่าพอจะไปเดินบินธบาตเนี่ยก็มีมัคคุรายกวัดมาบอกกับพระในวัดบอกว่าวันนี้เนี่ยจะได้ไปฉันข้าวอยู่ในหมู่บ้านนะพระอาจารย์ก็เลยถามอ้าวใครเป็นอะไรละ่ะ มัคคาทายกวัดก็เลยบอกว่าพ่อใหญ่คำเนี่ยหรือว่าลุงคำเจ้าของร้านเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนตอนประมาณสองทุ่มคุณจะตโรงได้ยินแบบนั้นถึงกับยืนช็อกไปเลยแล้วก็บอกว่าเอา้ามันใช่พ่อใหญ่คำจริงๆหรอที่เสียชีวิตไปเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยพ่อใหญ่คำยังมานั่งคุยมานั่งพูดนั่งจากันอยู่ตอนสามทุ่มนะ่แกมาเออ พอมรรคฐายกวัดได้ยินแบบนั้นละค่ะหน้านี่ถอดสีเลยจากนั้นก็เล่าให้ทั้งพระอาจารย์แล้วก็มรรคฐายกฟังเรื่องเมื่อคืนพอเล่าเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำกิจวัตรส่วนตัวสักพักหนึ่งก็มีรถกระบะมารับเข้าไปทําพิธีในหมู่บ้านแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าพอเสร็จงานบวชน ะ, ะหรือว่างานอุปสมบทของคุณจตุรงเนี่ยเรียบร้อย อาการของตาคำแกก็ซุดลงจนติดเตียงแล้วเมียแกก็พูดกับคุณจตุรงบอกว่าอาการแกซุดเนี่ยแกบอกว่าอยากไปหาคุณจตุรงสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจตุรงก็ได้เล่าเรื่องเมื่อคือนนี้ให้ฟังซึ่งจากนั้นคุณจตุรงก็มาสวดนะคะก็คือสวดศสพสวดอภิธรรมศพคือต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวบีขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาศพไปสวดที่วัดนะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่ เป็นเป็นบางส่วนบางพื้นที่ที่จะมาสวดในวัดแต่ว่าทางด้านของภาคอีสานเนี่ยคือเขาจะมีศพศพอยู่ที่บ้านเขาก็จะเรียกว่าขอนคาเฮือนนะคะแล้วก็จะมีพระมาสวดอภิธรรมศพตอนกลางคืนก็คือตอนค่าประมาณสัก6กโมงกว่าทุ่มหนึง่งประมาณนี้แหละนะคะทุกวันทุกวันประมาณ3วันติดหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้วก็จะมาสวดอีก3วันติดเหมือนกันนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าบ้านหลังนั้นมีฐานะดีหรือไม่ดีมีอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้คุณจตุรงก็เล่าเรื่องให้กับเมียของลุงธรรมเนี่ยฟังนะคะแล้วคุณจตุรงก็บวชอุทิศส่วนกุศลไปให้แกจนถึงวันชาปนกิจซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทำวัดเสร็จก็ต้องกรวดน้ำให้แกทุกวัน เรื่องคุณจตุรงก็มีอยู่แค่นี้ยังไงถ้ามีโอกาสนาเรื่องที่ได้ยินมาเล่าให้ฟังนะครับฝากคุณบีตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยก็แล้วกันอ่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณจตุรงเดี๋ยวบีตั้งเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าลุงคาก็แล้วกันนะคะ ฟังเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องต่อไปเนี่ยบีจาเล่าเรื่อ ง, องเจอผีของคนดังค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีกันก่อนก็แล้วกันคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีบอกว่าสมัยก่อนที่ยังเด็กเนี่ย เราก็คิดว่าการเห็นผีหรือว่ามีสัมผัสพิเศษเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเห็นกันผู้หญิงในตระกูลอย่างคุณแม่คุณนะ้าพี่สาวก็มีเซนต์เช่นกันอย่างตอนคุณบุ๋มอายุประมาณ14ปีน้าฝันเห็นคุณบุ๋มนเลือดออกจากปากนะก็เลยบอกให้ไปทำบุญแล้วก็รดน้ำมนต์ซึ่งหลังจากนั้นคุณบุ๋มก็ประสบอุบัติเหตุรถยุบไปเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากแค่ปากแตกนิดหน่อย ซึ่งก่อนชนเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกมาจากข้างหลังก็เลยดึงเข็มขัดมาคาดคาดปุ๊บรถชนปับ๊บมันนึกว่าเออทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงเตือนป่านนี้ก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะทีนี้ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากเห็นมากขึ้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่คุณบุ๋มเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเอบเพื่อนก็ชอบทักเอา้าเมื่อกี้เจอแกเดินสวนมานี่ทําไมไม่ทักไม่ทายกันเลยคือจะมีคนเห็นฝาแฝดคุณบุ๋มนี่ยเยอะมาก นาก็เล่าว่านอนอยู่ในบ้านก็มีคนหน้าตาเหมือนบุม๋มไว้ผมตรงยาวมีหน้ามา้าเปิดประตูเข้ามายืนจ้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ปิดประตูออกไปคุณแม่ก็เคยเจอเหมือนกันคือเวลาบุ๋มขับรถกลับบ้านครอบครัวจะกำชับว่าห้ามออกจากรถเพราะว่าเคยโดนอุ้มลักพาตัวต้องรอให้คนมาเปิดประตูขับรถเข้าบ้านเปิดประตูรัว้วแล้วค่อยลงจากรถ มีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่ามาถึงบ้านและรอให้คนมาเปิดประตูมองขึ้นไปเห็นแม่ยืนตรงระเบียงบ้านกำลังชี้นิ้วมาทางรถแล้วก็พูดว่ า, าแล้วก็พูดออกับคุณบุ๋มอยู่นะคะก็คิดในใจว่าเอ๊แม่บ่นอะไรพอเข้าบ้านไปแม่บ่นยกใหญ่เลยบอกว่าออกมายือนนอกรถทําไมคุณบุ๋มก็เลยเถียงบอกเปล่าค่ะแม่ตอนนั้นเนี่ยฝนตกด้วยถ้าออกมายืนชุดนักศึกษาก็ต้องเปียกแล้วสิทีนี้ทุกคนก็เลยเงียบ แล้วก็เคยคุยกันในครอบครัวแล้วก็สันนิษฐานว่าคุณบุ๋มอาจจะมีแฝดซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าตอนท้องคุณแม่เนี่ยเคยเลือดออกแล้วก็คนในตระกูลนี่มีแฝดเยอะมากเพราะว่าเธอนั้นหน้าตาเหมือนคุณบุ๋มแต่ก็เป็นคนดูไม่ค่อยยิ้มทีนี้คุณบุ๋มปนัดดาบอกว่ามาลองย้อนคิดถึงเสียงผู้หญิงที่เรียกก่อนเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นน่าจะเป็นเสียงเตือนจากเธอเหมือนกัน หลังจากนั้นนะคะคุณบุ๋มเองก็เห็นอะไรแบบนี้หนักขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งบางครั้งก็อาจจะมองเห็นเป็นเงาดำบ้างนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นรูปร่างชัดเจนบางคนนี่ยืนร้องไห้เลยก็มีนะบางทีนี่ขับรถไปก็มีผู้ชายวิ่ง ออกมาจากบ้านหลังหนึ่งคว้าประตูรถเพื่อจะเข้ามาบางคนนะข้ามถนนโดนรถชนตายซึ่งผ่านไปแถวนั้นที่ไรบุ๋มจะเห็นข้ามถนนอย่างนั้นทุกครั้งคือถ้าเห็นเงาวูบๆเนี่ยจะรู้เลยว่าวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณบุ๋มบอกว่าเห็นผู้ชายเกาะหลังแฟนคลับก็เลยเอามือไปปัดออกเขาก็มาเกาะตัวของคุณบุ๋มแทน ตอนนั้นคุณบุ๋มก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเพราะว่าทุกคนต่างก็มีเจ้ากรรมนายเวรเป็นของตัวเองเขาก็เลยทวงถามว่าขัดขวางทำไมสิ่งที่ช่วยได้ก็คือทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ น, นั้นแล้วก็ขออโหสิกรรมขอโอกาสให้น้องคนนั้นได้ทำสิ่งดีๆและนี่คือการการสร้างทานบารมีแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับวิบากกรรมของใครนะคะ สิ่งที่บผมเห็นเป็นเรื่องเหลือเชื่อค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคุณบุ๋มบอกว่าไม่รู้ว่าจะบอกกับใครดีเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวเท่านั้นถึงจะรู้เคยไปถ่ายละครต่างจังหวัดเหมือนกันก็ต้องค้างที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งคุณบุ๋มเนี่ยนอนคนละเตียงกับเลขากลางดึกก็เปิดไฟดวงเล็กๆอ่านการ์ตูนแต่ว่าอยู่ๆก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมดำหยิกยาวยืนมองหน้าถามว่ามึงเห็นกูใช่ไหมก็เลยอธิษฐานจิตกลับไปบอกไม่เห็นไม่เห็น ทีนี้เสียงตะเคาะกลับมาบอกมึงเห็นกูใช่ไหมเท่านั้นแหละค่ะเลขานี่เออคุณบุ๋มเองก็เลยรีบสะกิดเลขาชวนกันออกไปอยู่หน้าล็อบบี้จนเช้าเลยจนพี่นีโน่ค่ะเมธินีเมธานีบูรณะซิรินะคะก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเคยมีรุ่นพี่นักแสดงมาพักที่นี่เมื่อหลายปีก่อนนอนๆ อ, อยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้แล้วก็มีผู้หญิงชุดขาวผมหยีดำยาวมานอนคว่ำหน้าอยู่ตรงหัวไหล่คือเจอหนักกว่าบุ๋มอีก สืบไปสืบมาถึงรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอเป็นครูค่ะโดนหลอกมาฆ่าข่มขืนแล้วก็เอาศพไว้ใต้เตียงไม่ยอมไปเกิดก็คงเพราะว่ามีความโกรธแค้นอยู่บางครั้งคุณบุ๋มเองก็บอกนะคะบอกว่าเจอหนักเหมือนกันโดนเข้ากับตัวเลยซึ่งเรามารู้สึกว่า ม, มันหนักเกินไปแล้วนะคือมีอยู่ปีหนึ่งคุณบุ๋มไปทาบุญครบรอบซึนามิใส่สูตรคลุมเสื้อตัวใน วันนั้นฝนตกหนักมากเสื้อเปียกก็เลยถอดสูตรออกปรากฏว่ามรีรอยนิ้วมือนี่5้านิ้วที่ต้นแขนค่ะหรือตอนอย่างตอนไปล่าท้าผีที่สุสานโสพินีกับรายการคนอวดผี คุณบุ๋มเห็นวิญญาณตรงกับที่อาจารย์เจนเห็นแล้วก็เดินไปที่ห้องที่ผู้หญิงถูกทรมานก็เห็นโซ่2เส้นแล้วก็รู้สึกแสบๆที่หลังพิกลจากนั้นคุณบุ๋มก็เห็นวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยยืนกระชากโซ่เราก็ร้องกรีดกรีดข่าวอ่อนแล้วก็ซุดลงไปกับพื้นจนคุณแท็กพระรัญยูโรจนมุฒิที่ทำเนี่ยนะคะต้องมารับออกไปเชื่อไหมว่าพอเปิดดูเสื้อนี่เห็นเป็นรอยแดงยาวที่กลางหลังเลยล่ะค่ะนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ของคุณบุม๋ม ปนัดดาวงผู้ดีนะคะทีนี้มีอีกประสบการณ์หนึ่งค่ะเป็นของดีเจนุย้ยธนวัตรประสิทธิ์ที่สมพรคุณนุ้ยบอกว่าเป็นคนกลัวผีมากเลยนะกลัวชนิดที่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องมีพี่มีแม่อยู่ด้วยจะให้มานั่งหลอนหรือว่ามานอนคนเดียวไม่เอาแน่นอนแต่ด้วยอาชีพเนี่ยต้องเดินทางแล้วก็จําเป็นต้องค้างคืนในที่ที่แปลก ก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเหมือนกันเพราะว่าคุณนุ้ยเองก็ไม่สามารถนอนร่วมกับคนอื่นได้แต่พอนอนคนเดียวก็กลัวผีอีกเพราะฉะนั้นคุณนุ้ยก็เลยเปิดไฟเปิดทีวีทั้งคืนค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องพกหนังสือสวดมนต์นิมนพระองค์เล็กๆติดตัวไปด้วยแล้วก็วางไว้ข้างหมอนนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อฝังหัวที่ต้องทาทุกครั้งคือวางรองเท้าสลับหัวท้ายกันที่หน้าประตูเนี่ย คือโยนเหรียญเข้าไปใต้เตียงด้วยเพื่อซื้อที่ถ้าเตียงใหญ่หรือมีอีกเตียงว่างก็จะวางกระเป๋าวางของเพื่อไม่ให้มันโล่งนะคะคุณนุ้ยบอกว่ามีอยู่ประสบการณ์นึงเนี่ยไปฮานอยฮาลองเบย์คนอื่นนอนอยู่ที่ชั้นสี่ส่วนนุ้ยนอนเดี่ยวอยู่ที่ชั้น8นะคะพอเปิดห้องเข้าไปเท่านั้นแหละคุณพระคุณเจ้าช่วยห้องใหญ่โตหรูหรามากแต่คุณนุ้ยบอกว่าห้องห้องนี้มันไม่น่าอยู่นะก็เลยโทรหาไกด์บอกว่าอยากได้ห้องเล็กๆชั้น4ี่แต่ห้องเต็มหมด พอตกดึกค่ะคุณนุ้ยนอนไม่ได้จริงๆคือมันแปลกๆก็เลยลงไปหาไกดที่ชั้นสี่โดยที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนก็เลยเคาะประตูหาทุกห้องจนเจอแล้วก็ขอแลกห้องกันจนคุณนุ้ยเนี่ยได้นอนอยู่ที่ห้องของไกด์นะคะแล้วก็ไกดสองคนเนี่ยขึ้นไปนอนที่ห้องคุณนุ้ยแทนพอตื่นเช้ามาค่ะไกดเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนเนี่ยมีลมหายใจรถต้นคอทั้งคืนเลยคิดว่าเพื่อนอีกคนมานอนข้างๆหันไปก็ปรากฏว่าเพื่อนนี่นอนไกลตัวมาก อีกเรื่องหนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่บ้านเมืองการก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าคุณพ่อของคุณนุ้ยนี่เลี้ยงกุมารทองไว้วันหนึ่งพ่อไปซื้อไม้จากขเขมรมาสร้างบ้านจากนั้นก็สร้างตึกแถวสามชั้นเพิ่มด้านหน้าเพื่อทํากิจการค้าขายอลูมิเนียมพร้อมกับเป็นบ้านพักอาศัยไปในตัวก็เลยยกบ้านไม้ให้ช่างอยู่ปรากฏว่าเขาอยู่กันไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าโดนก่อกวนมากซึ่งช่วงที่คุณนุ้ยอยู่กับคุณแม่ ก็มักจะได้ยินเสียงโครมครามจากชั้นสองตลอดวิ่งขึ้นไปดูคิดว่าของร่วงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะสุดท้ายก็ต้องนิมนต์หลวงพ่ออุตมะนี่ให้มาเทศว่าถ้าอยู่บ้านเขาก็อย่าก่อกวนจากนั้นก็สงบราบรื่นนะคะส่วนบ้านตึกแถววันดีคืนดีคุณน้อยบอกว่าในห้องนอนกับแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยจะได้ยินเสียงประตูรีโมทข้างล่างเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็คิดว่าพ่อกลับบ้านแล้ว จากนั้นมีเสียงเคาะประตูห้องนอนก็เลยเปิดให้แต่ว่าไม่มีใครอยู่คุณนุ้ยก็ปิดกลับอย่างเร็วกระโดดขึ้นเพียงถามแม่ใครเคาะมองไปที่ช่องใต้ประตูก็ไม่มีเท้าใครนะสักพักหนึ่งพ่อเดินขึ้นมาก็เลยถามว่าเมื่อกี้เคาะประตูหรือเปล่าพ่อตอบว่าเปล่าเพิ่งมาถึงคุณนุ้ยก็เลยเดาได้ว่าน่าจะเป็นกุมารทองมารอเล่นเหตุการณ์สุดท้ายที่คุณนุย้ยเจอะเจอมานะคะก็คือมีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ที่เห็นกับตาแบบไม่ลืมเลยคือบ้านคุณนุ้ยเนี่ยอยู่นอกตัวเมืองการระหว่างทางขับรถจะกลับบ้านถนนจะมืดมืดเ ง, งียบเงียบข้างทางนี่จะเป็นป่าคุณพ่อขับพี่ชายนั่งหน้าคุณนุ้ยกับคุณแม่นั่งข้างหลังสักพักหนึ่งแม่พูดขึ้นมาว่าระวังจะมีคนข้ามถนนนุ้ยก็เห็นเหมือนกันว่ามีคนอยู่กลางถนนนะ เป็นเงาของผู้หญิงดำๆแต่ว่าเหมือนหัวล้นๆที่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเห็นใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็นุ่งผ้าถุงตัวสูงประมาณสักร้อยเกเซนนี่คือสูงมากจังหวะนั้นมีรถจิ๊บฝั่งตรงข้ามขับสวนมาพอรถจิ๊บขับผ่านไปไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วสรุปค่ะพ่อกับพี่ชายไม่เห็นแต่คุณ น, นุ้ยกับแม่นี่เห็นกลัวจนไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยโดดขึ้นไปนั่งบนตักแม่เลยนะคะนั่นก็เป็นประสบการณ์ของคุณนุ้ย ดีเจนุ้ยดีเจอารมณ์ดีแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เจอเจอกับเรื่องราวลึกลับน่ากลัวน่ากลัวค่ะทีนี้เป็นเรื่องดนะีเจโป้งนัทพงษ์แตงเกษมกันบ้างดีเจโป้งบอกว่าเคยเจอผีไม่กี่ครั้งแต่ว่าในไม่กี่ครั้งเนี่ยมันเป็นภาพหลอนติดตามมาจนถึงทุกวันนี้เลยอย่างตอนที่บวชที่วัดบวรดีเจโป้งบอกว่า ผมเคยที่อ่าผมชอบนั่งสมาธิคนเดียวเพราะว่าอยากฝึกจริงจังในด้านนี้อยากรู้ว่าพอจิตเราเนี่ยนิ่งจริงๆมันจะเป็นอย่างไรหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็เดินกลับกุฏิจะรู้สึกว่ามีคนตามแล้วก็มองอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานั่งพักริมระเบียงก็เหมือนมีสายตามองมาจากมุมนึง คืนนั้นไม่สบายใจก็เลยเล่าให้พระอาจารย์ฟงังท่านก็บอกว่าให้แผ่จิตอันเป็นกุศลไปให้เขาหลังจากนั้นเวลานั่งสมาธิก็นึกถึงเขาแล้วก็แผ่กุศลให้พอมานั่งริมระเบียงก็ได้กลิ่นหอมไม้หมอมกลิ่นดอกไม้หอมๆนะคะคาดว่าน่าจะเป็นดอกดอกแก้วหรือว่าดอกโมกมาพร้อมกับลมเย็นๆรู้สึกชื่นใจซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบวชหน้าหนาวก็เลยมีลมพัดเย็นมาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้ คุณป้งบอกไม่รู้สินะว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรเหมือนกันที่น่ากลัวแล้วก็อัพเลเวลขึ้นมานิดนึงคือตอนเด็กๆ เ, เนี่ยไปนอนบ้านยายซึ่งเป็นบ้านไม้ไม่มีแอร์ใช้วิธีเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าซึ่งจะมีมุงลวดแล้วก็ม่านโบราณแบบใช้มือรูดอยู่เวลาลมพัดม่านจะขยับตามแรงลมซึ่งช่วงที่ม่านปลิวนี้เองเป็นจังหวะที่ลืมตาขึ้นมาตอนนั้นก็ลืมตาแบบสลืมสลือแล้วละ่ะ มองไปตรงหน้าต่างเห็นโครงกระดูกค่อยๆโผล่ขึ้นมาด้วยความเป็นเด็กก็เลยรีบหลับตาเอาหลังเบียดยายไปด้วยความกลัวแต่แล้วนะคะเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันนี้มันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนโตแต่ว่าดีกรีเพิ่มแรงมากขึ้นคือเมื่อ20ปีที่แล้วตอนย้ายเข้ามาบ้านหลังปัจจุบันเนี่ย วันแรกเลยที่เข้ามาอยู่ยังไม่ได้เชิญพระแล้วก็ทําบุญบ้านคืนนั้นเปิดไฟหัวเตียงนอนอ่านหนังสือสักพักก็เผลองีบไปจนกระทั่งได้ยินเสียงหัวเราะแบบฮึ่ม ฮ, ฮ, ฮอย่างนี้นะคะก็เลยลืมตาขึ้นมามองหาต้นเสียงกว่าตามองอยู่ทั่วห้อง <S <S เห็นอะไรบางอย่างสีเทาขุนข่นๆดุกดิก่ดดุกดิ่ดอยู่ตรงเพดานมุมห้องพอปรับโฟกัสสายตาให้ชัดแล้วก็เพ่งอีกที ก็เห็นว่ามันเป็นเท้าคนห้อยลงมาจากบนฝ้าเพดานแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเห็นเป็นชุดกระโปรงยาวสีเทาเห็นดอกไม้จนกระทั่งเห็นมือของเขากอดพวงรีดอยู่แล้วก็หยุดแค่ตรงหน้าอกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกว่าขยับตัวไม่ได้เลยคุณโป่งบอกก็เลยท่องบทสวดมนต์มงกุดพระพุทธเจ้า9้าจบและพยายามบอกให้เขาไปแต่เขาก็ยังดื้อ น, นะลอยวนอยู่ตรงนั้นแหละพร้อมกับหัวเราะในลาคอเหมือนเดิม ก่อนจะได้ยินเสียงพูดว่าท่องก็ผิดถึงตรงนี้เนี่ยตกใจสุดขีดตาเบิกโพลงเลยค่ะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะลุกหนีก็ไม่ได้จนเขาเอียงหัวลงมาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวจนปิดหน้าปิดตาโผล่มาแค่ปากเท่านั้นในใจเนี่ยคิดถึงแค่แม่อย่างเดียวขอให้พระคุณของแม่หรือว่าสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองบ้านหลังนี้เนี่ยช่วยลูกด้วยแล้วก็พยายามดันตัวเองลุกขึ้นพร้อมกับตะโกนเรียกแม่จนหลุดออกมาได้ สภาพทุกอย่างในห้องนี้เหมือนเดิมค่ะไฟทุกดวงยังคงเปิดอยู่แต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปซึ่งคืนนั้นเนี่ยเขาบอกเ้านอนไม่หลับเลยจนกระทั่งเห็นแสงพระอาทิตย์นั่นแหละจึงค่อยนอนต่อตื่นเช้ามาแม่ถามว่าเมื่อคืนเรียกฉันหรือเปล่าก็เลยตอบไปบอกว่าเปล่าแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่บอกแม่ว่านิมนพระมาทำบุญบ้านแล้วก็พรมน้ำมนต์กันดีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแบบนี้อีกเลยก็อยู่แบบสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ดิจ ا ป้องบอกว่าผมได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้พระฟังท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เจ้าที่แต่เป็นสัมภเวสีที่เคลื่อนผ่านมาพระท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโยมเขาก็เหมือนคนขี้เล่นเจอสาวก็อยากแซวเจอหนุ่มก็อยากนอนอยู่อะไรอย่างนี้คือตอนนั้นอายุไม่เกิน20ปีก็ยังวัยละอ่อนอยู่ขาวตีนอนถอดเสื้อดูหน้าเข้ามาทักทายเล่นอะไรประมาณนี้แต่ทักฮาร์ดคอไปหน่อยนึงนะจนทุกวันนี้นี่เสียงหัวเราะกับคาว่า ท่องก็ผิดยังคงติดหูอยู่เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องจากดีเจโป้งนัทพง์แตงกเกษมค่ะ